มีอะไรจะคุยกับหลวงพ่อัหมเบอร์สี่บห้ามาจากไหนครับมาจากกรุงเทพครับฝึกมายัางไงฝึกฝึกพองยุคมาครับดูพองยุบนะเราดูใจครับส่วนใหญ่ไปฝึกกรรมฐานอันใดอันหนึ่งไม่เฉพาะสำนักใดสำนักหนึ่งนะแทบทั้งหมดอะฝึกแล้วมันไปติดอยู่แค่สมถะ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 เราเกิดศีลอัตโนมัติขึ้นมาเพราะมันมีสติน่นเองมันมีสติมีหิริโอตปะมีฮิริโอต ป, ปะก็มีศีลจิตตศิกฐ์ขาก็เรียนจนกระทั่งจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมามิติเรียนมีสองอันสําหรับสมถายานีสต้องทําฌานที่ถูกต้องฌานที่พวกเราส่วนมากในยุคนี้ทําไม่ใช่ฌานที่ถูกต้องอย่างเป็นนั่งเลาะเคลืองอกแงกๆอกแงนะั่นบอกว่าเข้าฌานไม่ใช่ น่าเราขาดสติเข้าฌานไม่ใช่ฌานเป็นองค์ทําฝ่ายกุศลนะเป็นธรรมะฝ่ายกุศลต้องประกอบด้วยสติตลอดเลยเพราะฉนั้นขาดสติไม่ได้นี่วิธีหนึ่งนะพอทําใจเป็นฌานนะใจจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเรียกว่ามีเอกโกทิภาวะเอโกโอทิภาวะเนี่ยเต็มภูมิจริงๆนะตั้งเริ่มจากฌานที่สองฌานที่หนึ่งยังไม่มีเอกโกทิภาวะคือธรรมชาติรู้ จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นไม่มีเพราะในฌานที่หนึ่งเนี่ยจิตยังมีวิตกวิจารยอยู่ยังตรึกอยู่ยังตรึกยังตรองในอารมณ์อยู่เมื่อจิตยังตรึกยังตรองในอารมณ์จิตก็ยังไม่เป็นผู้รู้ในอารมณ์ในฌานที่สองเนี่ยในตำราในพระสูตรถึงบอกว่ามีเอโกทิภาวะเกิดขึ้นพวกเรารุ่นหลังๆเราไม่เคยได้ยินเลยว่าในฌานที่สองมีเอโกทิภาวะาเราไปเรียนองฌานตามตำรา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 นิวรณ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นศัตรูของสมาธิเป็นศัตรูของสมาธิถ้าเรามีสติรู้ทันนิวรณ์ลงไปนะนิวรณ์จะดับลงไปใจจะตั้งมั่นขึ้นมาเช่น <sea, S 1> เรารู้ทันว่าใจเราเผลอไปใจที่เผลอไปคิดเนี่ยใจมีอุทธัจญานิวรณ์ใจเผลอไปคิดมีอุทธัจญานิวรณ์เรารู้ทันวับนีอุทธัจญ์ดับวับเนี่ยจบบใจจะตั้งมั่นขึ้นมามวิธีทําให้เกิดสมาธิเลยมี2วิธีนะ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 ถ้าจิตไม่มีคุณภาพพอจะเจริญปัญญาศิกขาไม่ได้เราอย่ากเก่งกว่าพระพุทธเจ้านะท่านสอนศีลสิกษาจิตสิกษาปัญญาศิกขาบทเรียนของท่านนะดีแล้วหลายคนทิ้งเอาดื้อเลยนะยังมีหน้ามาประกาศด้วยนะว่าผมจะไม่เรียนเรื่องจิตหรอกต้องเรียนเรื่องกายก่อนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนศีลสิกขากายศิกขาปัญญาศิกษาแล้วไปจิตสิกษาทีหลังนะ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 นิปัสนาจะเสแสร้งแกล้งทาไม่ได้แล้วแต่ว่าสติจะระลึกรู้รูปหรือระลึกรู้นามเท่าระลึกรู้ของเขาเองนั้นเราต้องค่อยๆฟังนะฟังแล้วฟังยากนิดนึงแต่อดทนฟังครั้งเดียวไม่รู้เรื่องก็ฟังสองครั้ง3าครั้งไม่เก็บค่าฟังนะไม่ต้องตีตัว๋วแต่ต่อไปคงต้องตีตัว๋วเราร้นห้องนั้นเราบ้านระวังเรื่องการกาหนดสติไม่ได้แปลว่ากาหนด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 ระลึกได้ถึงความมีอยู่ของกายระลึกได้ถึงความมีอยู่ของจิตใจสติทำหน้าที่อะไรสติทำหน้าที่อารักขาจิตอารักขาจิตใจทันทีที่สติเกิดอากุศลจะไม่เกิดทันทีที่สติเกิดกุศลจะเกิดอย่างเราจงใจกำหนดปุ๊บเนี่ยอากุศลเกิดใจมันจะเกิดความหนักแน่นแข็งซึมชื้ขึ้นมา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 งั้นภาวนาอย่าไปสำคัญว่าภาวนาแล้ววูบหมดสติตื่นขึ้นมาได้โสดาละวูบครั้งที่สองได้สกิทาคาวูบครั้งที่สามอนาคานะวูบครั้งที่สี่เป็นพระอราหันต์นะบางคนวูบมาตั้งยี่สบสาสิครั้งแล้วก็กิเลสเหมือนเดิมนั่นแหละอันนี้เราพูดซื่อๆนะไม่ได้ว่าอะไรกันเมื่อก่อนจะพูดนระต้องระวังมากเลยอ้อมๆพร้อมๆเรียบๆ เ, เคียงๆพูดตรงๆไม่ได้กลัวโกรธ ตอนนี้หลวงพ่ออยากให้โกรธโกรธบ้างอะ่ะจะได้น้อยๆยหน่อยจะเหลือแต่ที่ทนได้จริงๆทนการทุบได้จริงๆอะ่ะเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกนะเราจะนวดจะไม่ประคบประงมแล้วนะจะนวดเหมือนช่างปั้นหม้อที่นวดดิ่มเลยทุบแล้วทุบอีกใครทนได้ก็ได้แก่นท่นบอกองนี้ใครทนไม่ได้ก็ไปหลวงพ่อไม่ได้เชิญมาเราไปต้องใช้วิธีนี้สกรีนะเผื่อจะน้อยน้อยแล้วคุณภาพจะดีนะ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 การบังคับกายบังคับใจเรียกว่าอัตตะกิลมะฐานุโยคนะคือสิ่งที่พระพุเทธเจ้าห้ามแต่คือสิ่งที่นักปฏิบัติชอบทํามีหลายคนนะต้องใช้วิธีขอสักเดือนหนึ่งนะ่ะจริงๆถ้าตั้งใจทํำนะไม่ถึงเดือนหรอกกรรมฐานที่หลวงพ่อสอนให้นะไม่ใช่กระจอกนะเพราะนี้เราไปก๊อปปี้พระพุเทธเจ้ามาสติปัฏฐานเนี่ยเห็นไหมใครๆก็สอนสติปัฏฐานใช่หไหยแต่ถามว่าคีย์เวิร์ดของสติปัฏฐานอยู่ที่ไหน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 ฟุ้งซ่านก็รู้หดหูก็รู้จิตมีสมรรถนะได้ได้อุปจาระก็รู้ได้อัปปนาก็รู้จิตเกิดอริยามรรคขึ้นก็รู้ตลอดสายของสติปัฏฐานนี่แต่คำวารู้นะของเราเติมอะไรลงไปเราเติมเพราะว่ากาหนดลงไปกําหนดรู้ก็รู้ไม่เหมือนกันนะกาหนดเนี่ยเกิดโลภเจตนาขึ้นแล้วจงใจ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 จิตที่ไม่มีสัมมาสมาธิทำไงก็ไม่เห็นหรอกอาเชิญไปทานข้าวนิมนต์ครับ